มหาสติปฐานสูตรโดยดังตรินรู้จักความจริงในมุมมองของอริยะขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรม การเจริญสติที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรคำตอบคือเป็นไปเพื่อเห็นความจริงที่เหล่าอริยะเห็นและความจริงที่เหล่าอริยะเห็นคืออะไรคำตอบคือความจริงเกี่ยวกับทุกและการดับทุกเมื่อเจริญสติมาถึงขั้นที่พร้อมบรรลุมรรคผลเราย่อมทราบว่ากายใจอันถูกส่องสำรวจมาอย่าง ด, ดีแล้วนี่แหละ คือที่ตั้งของความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์ดังนี้ 1. ทุกข์ทุกข์คือขันหเพราะขันหคือที่ตั้งของอุปาทานว่ามีเราเกิดมามีเราแก่ลงมีเราตายไปมีเราพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก มีเราเผชิญเรื่องหน้าขัดข้องมีเราอยากได้แล้วไม่ได้อย่างใจตลอดจนมีเราร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกอยู่ต่อเมื่อรู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงคือเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่น่าพอใจไม่ควรยึดถือขันห้าจึงปรากฏต่อใจโดยความเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขา ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมรู้สึกอยู่ว่าไม่เคยมีเราเกิดมาไม่มีเราแก่ลงและจะไม่มีเราตายไปไม่มีเราพลัดพรากไม่มีเราเผชิญเรื่องหน้าขัดข้องไม่มีเราเป็นผู้ไม่ได้อย่างใจไม่มีเราร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกมีแต่ขันห้าแสดงความจริงอยู่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ควรถือว่าขันเหล่านั้นเป็นเราเลยผู้ใกลบ้บรรลุมรลย่อมเห็นตามจริงว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ให้รอบ 2. เหตุให้เกิดทุก เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากเสพผัสสะที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะความอยากเสพผัสสะนั่นเองเปรียบเสมือนยางเหนียวหรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็กที่ล่อใจให้ใหอยากมีตัวตนไม่อยากทิ้งขันห้าไปอยากเอาแต่ขันห้าที่ชอบใจแล้วเมื่อไม่ได้อย่างใจเสมอไปก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกันตัวผัสสะไม่ได้เป็นปัญหา ความอยากเสพผัสสะตัางหากที่ใช่อย่างเช่นเคยเห็นรูปร่างหน้าตายวนใจถ้าถอนตาแล้วไม่ติดใจก็แล้วไปแต่ถ้าติดใจก็กระวนกระวายอยากเห็นอีกหรืออย่างความคิดอันเป็นคลื่นกระทบใจที่ผุดขึ้นแล้วสลายตัวไปตามทางของมันอยู่ทุกขณะแต่อาการเสพติดความคิดทำให้เราไม่อยากให้มันหายไปกลัวว่า ถ้าไม่มีความคิดจะไม่ฉลาดหรือกระทั่งกลัวว่าถ้าความคิดสาบสูญแล้วจะไม่มีเราหลงเหลืออยู่รวมแล้วคนเราจึงกลัวตายกลัวไม่ได้เห็นกลัวไม่ได้ยินกลัวไม่ได้คิดแบบที่ชอบใจอีกแล้วต่อเมื่อเจริญสติรู้เห็นผัสสะกระทบเป็นขณะขณะจึงทราบว่าภาพเสียงและความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายหายไปทุกขณะอยู่แล้ว นาทีก่อนกับนาทีนี้เป็นคนละตัวกันแล้วจะหวงหรือไม่หวงทุกผัสสะก็ต้องหายไปอยู่ดีน่วงเหนียวไว้ให้เป็นของเราจริงไม่ได้เลยผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมเห็นความติดใจในผัสสะทั้งหโดยความเป็นเครื่องร้อยรัดสมควรละเสียเพราะเมื่อละได้ก็เหมือนทำลายโซ่แห่งความหลงผิดสาเร็จขันห้า ย่อมปรากฏในการรับรู้ไม่ต่างกับก้อนเสเลตในปากที่ควรถมทิ้งไม่น่าเสียดายไม่น่าห่วงไว้สักนิดเดียวผู้ใกลบ้บรรลุมรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งควรละให้สิน้น 3. ความดับทุกข์ความดับทุกข์คือการสละคืนความอยากเสพผัสสะได้จริงอย่างสิ้นเชิงเพราะหลังจากสละคืนความอยากได้หมดจดก็เท่ากับดับเหตุแห่งความดิ้นรนกระวนกระวายได้สนิทขันห้านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสนดีน่าเพลิดเพลินเพียงใดอย่างไรก็เป็นมาหันตทุกข์ โดยตัวของมันเองเสมอดังที่ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลเห็นตามจริงอยู่แล้วส่วนการสงบจากขันห้านั้นแม้จะยังไม่ประจักษ์ด้วยใจว่าเป็นเช่นไรผู้ใกล้บรรลุมรรคผลก็ย่อมมีความเข้าใจตรงตามจริงว่านั่นแหละบร ม, มสุขเปรียบเหมือนเห็นว่าไฟร้อนแม้ไฟยังลุกโผลงอยู่ก็ย่อมเข้าใจว่าสงบจากไฟเสียได้สิ้นเชิงจึงชื่อว่า เย็นสนิทผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมไม่ผูกพันกับผัสสะใดๆแม้รสสุขอันน่าพิศวงของสมาธิใจสละคืนหมดไม่เอาความรู้สึกนึกคิดไม่เอาตัวตนมีแต่มุ่งจะทำที่สุดทุกท่าเดียวและเขาย่อมถึงซึ่งความสำเร็จโดยไม่เนิ่นช้า ทะลุขันห้าออกไปเห็นด้วยจิตอันเป็นฌานว่าความดับทุกข์เป็นเช่นไรผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรประจักษ์ให้แจ่มแจ้ง 4. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขคก์คือการดำเนินชีวิตเยี่ยงอริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผลเมื่อรู้ความจริงอย่างอริยะคิดอย่างอริยะพูดอย่างอริยะกระทำอย่างอริยะมีสติรู้อย่างอริยะและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอริยะ วันหนึ่งย่อมกลายเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าทำไมเจริญสติแล้วสติไม่เจริญหรือสติเจริญแต่ไม่บรรลุมรรคผลเสียีก็สมควรใช้ข้อปฏิบัติของเราอริยะเป็นเกณฑ์ในการสำรวจตรวจตราว่าวิธีดำเนินชีวิตของเราเข้าทางตรงหรื อ, อยัง การดำเนินชีวิตเยี่ยงอริยะประกอบด้วยองค์แปประการดังนี้หนึ่งรู้ความจริงอย่างอริยะคือรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์และรู้ว่า การดำเนินชีวิตอย่างไรจึงดับทุกข์ได้ผู้รู้ความจริงอย่างอาริยะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอาจหมายถึงสัมมาทิฏฐิระดับรับฟังแล้วจดจำหรือสัมมาทิฏฐิระดับการตรึกนึกให้เข้าใจตลอดจนเกิดสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ด้วยการเจริญสติและบรรลุมรรคผล 2. คิดอย่างอริยะคือคิดออกจากกามคิดอภัยไม่พยาบาทและคิดหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนใดๆเพราะกามพยาบาทและการเบียดเบียนนั้นเป็นเปลือกหนาห่อหุ้มจิตให้มืดมนอยู่เมื่อมืดอยู่ความจริงใดๆย่อมไม่ปรากฏให้เห็น 3. พูดอย่างอริยะคือการเว้นจากการพูดเท็จอันเป็นเหตุให้จิตบิดเบี้ยวเว้นจากการพูดส่อเสียดอันเป็นเหตุให้จิตเร่าร้อนเว้นจากการพูดหยาบคายอันเป็นเหตุให้จิตสกปรกแล้วเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันเป็นเหตุให้จิตพร่ามัวกล่าวโดวยสรุปคือการพูดไม่ดีเป็นเหตุให้ไม่อาจมองเห็นอะไรตามจริง ถ้างดเว้นเสได้จึงค่อยเห็นตามจริงได้ 4. กระทาอย่างอริยะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม ล้วนเป็นบาปที่พอกหนาแล้วกลายเป็นความโง่เขลาเมื่อเห็นบาปเป็นของดีย่อมได้ชื่อว่าเห็นผิดเป็นชอบคนเราย่อมไม่อาจเห็นความจริงทั้งที่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่หเลี้ยงชีพอย่างอริยะคือหากินด้วยความสุจริต ถ้าเป็นพระต้องรักษาวินัยสงและเพียรเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งตามกติกาการบวชถ้าเป็นชาวบ้านต้องทำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 6. เพียรอย่างอริยะคือตัดใจละบาปอากุศลทั้งปวงจนเหือดแห้งไปหมดขวนขวายเพิ่มบุญกุศลทั้งหลายจนบริบูรณ์เต็มที่เช่น มีน้ำใจสละให้ทานคนและสัตว์เพื่อทำลายความตรณีเป็นต้นไม่มัวหลงประมาทว่าเราดีแล้วไม่ต้องเพิ่มความดีแล้ว 7. มีสติระลึกรู้อย่างอริยะคือมีความรู้สึกตัวอยู่รู้สึกถึงกายเวทนาจิตและธรรม กำจัดความอยากละความเศร้าโศกเสียได้ 8. มีสมาธิตั้งมั่นอย่างอริยะคือเป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากบาปอากุศลจิตตั้งรู้อยู่ในขอบเขตกายใจคงเส้นคงวากระทั่งเกิดปีติสุขอันวิเวก แล้วพัฒนาขึ้นไปถึงการมีอุเบกขาอันเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์จิตเหมือนปรากฏเป็นอีกภาวะหนึ่งแยกออกมาตั้งมั่นเป็นตังหากจากกายเป็นตังหากจากความรู้สึกนึกคิดสว่างจ้าด้วยปัญญามีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้เห็นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกายใจใดๆ ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลยอมเห็นตามจริงว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งแปประการควรเจริญให้มากเมื่อเอากายใจเป็นที่ตั้งแห่งความจริงเราจะพบว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดมานอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกข์ทั้งหลายล้วนเป็นเท็จ ด, ด้วยอาการเลอะเลือนไปเมื่อสงบจากทุกข์ได้เฉพาะตนจึงชื่อว่าเข้าถึงของจริง อันเป็นบร ม, มสุขตั้งมันถาวรไม่กลับกลายเป็นอื่นอีก ผลแห่งการเจริญสติหากเราไม่ทำอนันตริยกรรมคือไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าแม่ไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพ่อไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ใช่ภิกษุผู้ทำหมู่สง์แตกแยกและไม่ใช่ผู้ที่ทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตกับทั้งพร้อมพอจะได้ศึกษาทำความเข้าใจตลอดจนลงมือปฏิบัติธรรมเต็มความสามารถ จเจริญสติอย่างถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ก็ย่อมเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นประการว่าภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าหรือเจ็ดวันเป็นอย่างเร็วจกได้บรรลุมรคลขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ขีนาศพผู้นิรุกุกแก่นสารของพุทธศาสนาเล็งกันที่จุดสูงสุดจุดเดียวคือพ้นทุกข์และเป็นการพ้นแบบเด็ดขาด ไม่หวนกลับมามีทุกทางใจอีกคือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพลากจากขันแล้วเพื่อให้เข้าใจว่าจิตพลากจากขันเป็นอย่างไรก็ขอให้มองว่ากายใจเปรียบเหมือนแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดจิตให้ติดอยู่ยึดอยู่หลงมัวเมาอยู่ทำให้เข้าใจผิดไปว่านี่คือตัวเรามีเราอยู่ในกายใจนี้ เดิมทีเราจะไม่สงสัยเลยว่ากายใจใช่เราแน่ไหมต่อให้พบพุทธศาสนามีผู้สาธยายให้ฟังอย่างพิสดารว่าแท้จริงกายใจเป็นเพียงขันห้าทว่าก็ยากจะคลายพลังแม่เหล็กระดับขันห้าลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเส้นทางธรรมของเรายัางวกวนอยู่กับการเอาแต่คิดเอาแต่พูดเรื่องธรรมะ แม้จะเป็นธรรมะชั้นสูงของพระอรหันต์ก็อาจจะเสริมแรงดึงดูดให้หนักหน่วงขึ้นไปอีกข้าที่เข้าใจผิดคิดว่าตนรู้หมดแล้วแทงถึงธรรมชั้นสูงแล้วแต่ถ้าเริ่มเจริญสติตามลำดับเข้ามารู้กายใจที่ปรากฏอยู่ตามจริงในปัจจุบันจนเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลเป็นของศูนย์ นั่นเองกายใจจึงปรากฏเหมือนแม่เหล็กที่เสื่อมแรงดึงดูดลงทุกทีแต่ละครั้งที่จิตรู้ความไม่เที่ยงของกายใจเห็นว่าเป็นอื่นเป็นของแปลกปลอมเป็นภาระไม่น่าเอาก็คือการถอยห่างออกมาจากอำนาจดึงดูดของกายใจทีละน้อยทั้งสิน้น ความเสื่อมอำนาจดึงดูดจะมาในรูปของความรู้สึกแห น, นา่านคลายความยินดีเห็นว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นหลอกหลอกชั่วครู่ชั่วคราวไม่เห็นจะน่าติดใจตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้ยังอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะครองอะไรนานฉะนั้นไม่ควรนับว่าเราได้อะไรมาเท่าไหร่แต่ควรนับว่าเสียอะไรไปบ้างมากกว่าอย่างไรก็ดี แม้เริ่มเข้าใจความจริงอย่างอริยะกิเลสเริ่มน้อยลงแต่อำนาจดึงดูดที่มากมายมหาศาลของกายใจนั้นก็ไม่ใช่เอาชนะกันได้ง่ายๆวันนี้เบื่อหน่ายพรุ่งนี้อยากอีกเบื่อๆอยากๆสลับกันแสดงให้เห็นว่าอำนาจดึงดูดของกายใจนั้นเสื่อมได้ด้วยสติทว่าก็อาจแก่กล้าขึ้นใหม่ด้วยการเผลอหลงลืม ไม่ตั้งสติรู้ความจริงที่เข้ามากระทบในแต่ละครั้งต่อเมื่อเจริญสติโดยไม่ประมาทไม่เผลอนึกว่าเก่งแล้วในที่สุดจะรู้กายใจได้ละเอียดเห็นเป็นเพียงองค์ประกอบของสภาวะต่างๆกระทั่งความรู้สึกว่านี่คือกายใจหายไปกลายเป็นความรู้ชัดว่านี่สักแต่เป็นสภาวะธรรม เมื่อเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมคือขันห้าประชุมกันลวงตาลวงใจก็ยอมหมดหวังว่าอะไรอะไรจงเที่ยงอะไรอะไรจงเป็นไปตามใจเราและเมื่อเห็นทุกสิ่งมีเหตุผลที่จะเกิดกับทั้งมีการอันควรที่จะดับเป็นความสืบเนื่องแห่งกองทุกข์ที่ไร้แก่นสารความรู้สึกอยากมีขันห้า ย่อมเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกคล้พ้นไปจากขันห้าเสียแทนตัวความรู้สึกคล้พ้นไปจากขันห้าอย่างแท้จริงคือเครื่องบอกว่าแรงดึงดูดของขันห้าอ่อนกำลังลงเต็มทีหากเจริญสติไม่เลิกราถึงจุดหนึ่งเยื่อใหญ่ที่ผูกให้หลงยึดว่าขันห้าเป็นตัวเราย่อมถึงการขาดสะบั้นลง จิตตั้งมั่นเป็นฌานปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลส ท, ที่เรียกมัคคจิตรู้แจ่มแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่เรากับทั้งประจักษ์ด้วยจิตว่าพ้นจากขันห้าย่อมมีความสงบจากขันห้าอันไร้นิมิตไรที่ตั้งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากการอุบัติขึ้นและพินาศลงจึงเป็นอมตะ และทรงความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการใดๆในความพิสูิรไร้ขันห้านั้นไม่อาจมีชื่อแต่เมื่อต้องสมมุติเรียกเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจก็สมควรเรียกสิ่งนั้นตามลักษณะเฉพาะเช่นเรียกว่าบรมสุขเพราะสุขจริงโดยไม่ต้องอิงเวทนาขัน หรืออาจเรียกว่าอมตะเพราะไม่มีวันตายหรืออาจเรียกว่าอนันตะเพราะไม่มีขอบเขตอันเป็นที่สุดหรืออาจเรียกว่านิพพานเพราะดับสนิท จ, จากทุกขและเหตุแห่งทุกขไปยานใหญ่จะเรียกเป็นอย่างไรก็ตามสรุปคือสิ่งนั้นเป็นของจริงเพราะไม่เลอะเลือนไป แตกต่างจากขันห้าอันเป็นเท็จเพราะไม่อาจาตั้งอยู่ได้นานขันห้าใดรู้จักนิพพานขันห้านั้นสมมุติเรียกว่าโสดาบันเพราะทำลายความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวตนได้แล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่สงสัยความจริงในแบบของอริยะและไม่มีทางหลงไข้เขวไปถือปฏิบัติ ต, ตนตามแนวทาง ที่ไม่ใช่อริยะอีกอย่างเด็ดขาดโสดาบาันบุคคลจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้ากระแสนิพพานไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดาเ <lessons of art> มื่อโสดาบันบุคคลเจริญสติยอมรู้ว่าแม้จิตไม่ใช่ตนแต่จิตก็รู้นิพพานได้โดยอาศัยการเห็นกายใจไม่เที่ยงจนคลายความยินดีในกายใจ เปลี่ยนมายินดีในความเป็นกลางวางเฉยเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นเต็มที่แล้วถอนความยินดีในความเป็นกลางวางเฉยนั้นอีกชั้นจิตก็จะหลุดจากกรอบครอบงามของขันห้าแล้วตื่นรู้เบิกบานอยู่ในการเห็นนิพพานอันสงบจากขันห้านิ่งรู้นิพพานด้วยอํานาจฌานอย่างนั้นโดยไม่มีไฟล้างกิเลสลุกโผล่ขึ้นแต่อย่างใด แต่แม้เห็นนิพพานได้อย่างโสดาบันอำนาจแรงดึงดูดของกายใจก็ยังไม่หมดเห็นได้จากที่โสดาบันบุคคลยังมีราคะโทสะและโมหะได้เท่าเดิมเพียงแต่จะไม่หลงทาผิดศีลและธรรมด้วยอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำเหล่านั้นเมื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทกับทั้งอาศัยความเบิกบานในการเห็นนิพพานก็เดินหน้าเจริญสติต่อไป สะสมกำลังสติรู้ความจริงแบบอริยะชัดเจนขึ้นโสดาบาันบุคคลจะยกระดับได้อีกขั้นเมื่อจิตปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งที่สองเราสมมุติเรียกว่าสกัทธาคามีเพื่อให้คนในโลกสมมุติทราบว่าเป็นบุคคลผู้บรรเทาเบา บ, าบางลงจากราคะโทสะโมหะแล้ว อำนาจดึงดูดของกายใจยังไม่หมดสกทาคามีบุคคลต้องเจริญสติต่อไปอีกกระทั่งยกระดับได้อีกขั้นเมื่อจิตปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งที่สเราสมมติเรียกว่าอนาคามีเพื่อให้คนในโลกสมมติทราบว่าเป็นบุคคลผู้หมดจากกามราคะแล้วไม่มีความขัดเคืองใดๆกระทบใจได้อีกแล้ว จิตจึงมีความสุขเป็นปกติรู้ขันจากระยะห่างไม่เข้ามายุ่งด้วยแบบประชิดติดพันเหมือนเค ย, เคยแต่แรงยึดเหนี่ยวสุดท้ายอันเปรียบเหมือนเส้นใยบางๆยังคงอยู่และเส้นใยบางๆนี้เองที่ลึกลับที่สุดเห็นยากที่สุดเพราะคล้ายขันห้าไรแรงดึงดูดแล้วไม่อาจครอบงำจิตได้อีกแล้วแต่จิตก็ยังไม่เป็นอิสระถึงที่สุด ยังรู้สึกว่าขันห้าเป็นตนอยู่ต่อเมื่ออนาคามีบุคคลเจริญสติจนทราบชัดถึงที่สุดว่าจิตผู้รู้ที่แสนสุขก็เป็นตัวทุกข์อยู่ทั้งตัวพอทำลายความไม่รู้ว่าจิตเป็นทุกข์เสได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองจิตจึงปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งสุดท้ายได้ชื่อว่าอารหันต เพราะมีจิตพรากจากขันอย่างเด็ดขาดแล้วผู้เข้าถึงจิตที่พรากจากขันยอมทราบว่านอกจากภาวะถอยห่างเป็นตังหากจากกายใจยังมีภาวะเหมือนอยู่คนละโลกกับกายใจแบบเดียวกับเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่นี่คือที่สุดของฟ้าจริงๆแม้ในขณะแห่งการพูดคุยมโนภาพบุคคลผู้กาลังพูดคุย ก็ไม่เกิดขึ้นในห้วงมโนทวารเลยอย่าว่าแต่จะมีแรงยึดสักน้อยหนึ่งมาถือเอากายใจเป็นตนการเจริญสติตามวิธีของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความมหัศจรรย์เหนือความมหัศจรรย์ทั้งปวงพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจ มีศักยาภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้องจึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์เพื่อทราบว่าที่สุดของความคุ้มในชีวิตมิใช่การใช้ชีวิตได้อย่างอำเภอใจแต่เป็นการได้หลุดพ้นจากการครอบงำตามอำเภอใจของชีวิตต่างหาก บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสอนตรีโสภาติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินอ่านหนังสือและดาวโหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ w w w d a n g t ด i n c o m d ัง g t r i n c o m สามารถนําไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจากฝีเท่านั้ น, นกันสิ่งที่ิเธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องคลดูไรเหตุผลให้ไปโทษฟ้าโทเดาวอในควนจริงที่เป็น อย่างได้มาเพ อ, เอะร้ายจะดีมันอยู่ตัวเนันเองอยาหลงดูเรื่องการคือการประทังของเธอในคิดในใจ อาจคอยส่งผลไรไร้อาจลึกลับตปนมันคงเกิดการส่งผลข้างกันจะทำอะไรทำดีหรือเลวผลนั้นคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่พลาแสง ทันทีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เอมเมให้ยิ้มสอดทนมนานเรื่องรา้ายสิ่งที่เอที่เห็นอยู่ยไว่าทไมว่าเพราะ